ไตรลักษ์ข้อที่สอนัตตาและอนัตตลักษณะขอบเขตความหมายขอทวนความก่อนว่าอนัตตาคือความเป็นอนัตตามีขอบเขตกว้างขวางครอบคลุมมากกว่าความไม่เที่ยงและความเป็นทุกข์ขอบเขตนั้นกว้างแคบกว่ากันแค่ไหน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 ที่เป็นอนิจจังและเป็นทุกข์ทั้งหมดทั้งสิ้นคือยังมีธรรมะบางอย่างที่ไม่เป็นอนิจจังและไม่เป็นทุกข์ขังได้แก่ธรรมะที่ไม่เป็นสังขารแต่ธรรมะทุกอย่างรวมทั้งธรรมะที่ไม่เป็นสังขารนั้นด้วยเป็นอนัตตาคือล้วนมิใช่อัตตาไม่มีอัตตาไม่เป็นอัตตาหมดทั้งสิ้นไม่ยกเว้นสิ่งใดทั้งนั้นไม่มีอะไรมีอัตตา ไม่มีอะไรเป็นอัตตาเลยคำว่าธรรมหรือธรรมะครอบคลุมทุกสิ่งทุกอย่างไม่มีอะไรอยู่นอกเหนือคำว่าธรรมหรือธรรมะไม่ว่าสิ่งใดๆใช้คำว่าธรรมหรือธรรมะเรียกได้ทั้งหมดเมื่อธรรมะครอบคลุมทุกสิ่งทุกอย่างธรรมะจึงจำแนกออกไปได้ไม่มีที่สิ้นสุด แต่อาจจัดประมวลได้เป็นกลุ่มเป็นประเภทการจัดกลุ่มหรือประเภทที่เข้าเรื่องในที่นี้คือธรรมะทั้งปวงจำแนกเป็นสองจำพวกได้แก่สังคตตธรรมและอรรสังคตธรรมสังคตธรรมคือธรรมะที่ปัจจัยปรุงแต่งหรือสภาวะที่เกิดจากปัจจัยหนุนเนื่องกันขึ้นมาเรียกง่ายๆว่าสังขารได้แก่รูปธรรม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 จึงแสดงหลักธรรมานิยามแบบขยายความได้ดังนี้ 1. สังขารคือสังขตธรรมหรือขันห้าทั้งปวงไม่เที่ยง 2. สังขารคือสังขตธรรมหรือขันห้าทั้งปวงเป็นทุกข์ 3. มธรรมะ คือสังคตาธรรมและอสังคตาธรรมทั้งปวงไม่มีไม่เป็นอัตตาพึงสังเกตไว้ให้ตระหนักชัดว่าพระพุทธเจ้าตรัสมาตามลำดับในสองข้อแรกทั้งข้อไม่เที่ยงและข้อเป็นทุกข์เหมือนกันว่าสังขารทั้งปวงแต่พอถึงข้อสามที่เป็นอนัตตาทรงเปลี่ยนเป็นธรรมะทั้งปวง เมื่อมองตรงตามพุทธพจน์นี้พุทธประสงค์หรือพุทธทธิบายเกี่ยวกับขอบเขตแห่งความหมายของอนิจจตาทุกขตาและอนัตตาก็ชัดเจนอยู่ในตัวแล้วว่าข้อไหนแค่ไหนไม่จำเป็นต้องอธิบายเพิ่มเติมความหมายพื้นฐานอนัตตา จะแปลว่าไม่เป็นอัตตาหรือไม่มีอัตตาคือไม่เป็นตัวตนหรือไม่มีตัวตนก็ได้ที่ว่าธรรมะทั้งปวงเป็นอนัตตาก็หมายความว่าทุกสิ่งทุกอย่างเป็นสภาวะที่มีอยู่เป็นอยู่หรือเป็นไปของมันเป็นธรรมดาอย่างนั้นนั่นเองไม่เป็นไม่มีตัวตนที่จะครอบครองสั่งบังคับอะไรให้เป็น หรือให้ไม่เป็นอย่างนั้นอย่างนี้ตามที่ปรารถนาในเมื่ออนันตตาปฏิเสธความเป็นอัตตาถ้าจะเข้าใจความเป็นอนัน ต, ตาก็ต้องเข้าใจความหมายของอัตตานั้นก่อนอัตตาเรียกอย่างสันสกฤตว่าอาตมันคือตัวตนอันแท้อันจริงที่เป็นแกน่นเป็นแกนหรือซึมแทรกซ้อนแฝงหรืออบคุมสิ่งนั้น อันเที่ยงแท้ถาวรเป็นตัวอยู่ตัวยืนคงที่ซึ่งสิงอยู่สถิตยอยู่เป็นเจ้าของเป็นผู้ครอบครองเป็นตัวผู้ทำการเป็นตัวผู้เสพสวยความรู้สึกต่างๆอยู่เบื้องหลังปรากฏการทั้งหลายรวมทั้งอยู่เบื้องหลังชีวิตนี้ซึ่งมีอำนาจในตัวสามารถบงการหรือบังคับบัญชาสิ่งนั้นๆให้เป็นไปตามต้องการหรือตามปรารถนา ในลทัทธิศาสนาบางพวกสอนซ้อนลึกลงไปอีกว่าเบื้องหลังโลกแห่งปรากฏการ์ทั้งหมดและเหนืออัตตาหรืออัตมันของสัตว์และสิ่งทั้งหลายทั้งปวงนี้มีอัตตาสูงสุดที่มีอำนาจเหนือทุกสิ่งทุกอย่างซึ่งเป็นตัวผู้สร้างและกำหนดจัดสรรบรรดาบงการทุกสิ่งทุกอย่างหรือเป็นแหล่งที่มาและที่กลับเข้าไปรวมสุดท้ายของสรรพสิ่งสรรพชีพ อย่างที่ในศาสนาฮินดูเรียกว่าพรห ม, มันหรือปารมาตมันสาระสำคัญของหลักอนาตาก็คือการปฏิเสธความมีอยู่ของอัตตาที่ว่ามานี้โดยสอนให้รู้ว่าอัตตานั้นเป็นเพียงภาพที่เกิดจากการยึดถือของมนุษย์ปุถุชนที่ไม่มองเห็นสภาวะธรรมคือสิ่งทั้งหลายตามที่มันเป็นแต่มนุษย์ปุถุชนนั้น ได้สร้างภาพอัตตาหรือตัวตนขึ้นมาซ้อนไว้บนสภาวะธรรมและภาพอัตตาหรือตัวตนนั่นเองก็บดบังเขาไม่ให้มองเห็นสภาวะธรรมความรู้เข้าใจอนัตตาจะถ่ายถอนความยึดถือนั้นและสลายภาพอัตตาหรือตัวตนที่ซ้อนบดบังสภาวะธรรมลงไปทำให้รู้เห็นสภาวะธรรมคือสิ่งทั้งหลายตามที่มันเป็น หลักอนัตตาเป็นเรื่องของความรู้เข้าใจมองเห็นด้วยปัญญาตามที่สิ่งทั้งหลายมันเป็นของมันว่าสิ่งทั้งหลายทั้งปวงนั้นเป็นสภาวะธรรมซึ่งมีอยู่เป็นอยู่และเป็นไปตามสภาวะหรือตามธรรมดาของมันของมันไม่มีอัตตาหรือตัวตนอะไรเป็นแก่นเป็นแกนหรือสิงซ้อนแฝงอบคุมกลมไว้ที่จะเป็นเจ้าของครอบครองครอบงำบวงการบัญชา ไม่ขึ้นต่ออำนาจของใครไม่ว่าอยู่ข้างในหรือจากข้างนอกจะเห็นว่าความหมายพื้นฐานแห่งความเป็นอนัตตาของธรรมะทั้งปวงไม่ว่าจะเป็นสังคตาธรรมหรืออสังคตาธรรมไม่ว่าสังขารหรือวิสังขารก็ง่ายๆสั้นๆเหมือนกันหมดว่าสิ่งทั้งปวงนั้นล้วนเป็นสภาวะธรรม ซึ่งมีอยู่เป็นอยู่ตามภาวะของมันและเป็นอยู่หรือเป็นไปตามธรรมดาของมันของมันถ้ามีอัตตาเป็นแก่นเป็นแกนแฝงซ้อนหรือโอบคุมสภาวะธรรมก็เป็นอยู่เป็นไปตามภาวะที่เป็นอย่างนั้นอย่างนั้นตามธรรมดาของมันไม่ได้แต่ในความเป็นจริงสภาวะธรรมก็มีอยู่เป็นอยู่ของมันอย่างนั้นอย่างนั้นจึงชัดเจนแน่แท้ว่าอัตตาไม่มีจริง แต่ในตอนที่อธิบายขยายความหมายออกไปจุดที่แยกกันหรือทำให้มีรายละเอียดของคำอธิบายต่างกันก็คือสภาวะของสังคตธรรมกับสภาวะของอสังคตธรรมหรือธรรมดาของสังขารกับธรรมดาของวิสังขารที่เป็นคนละอย่างต่างกันไปถ้าเป็นอสังคตธรรมหรือวิสังขารคือนิพพาน ก็ชัดอยู่แล้วว่านิพพานนั้นเป็นธรรมาธาตุอันดารงอยู่ตามสภาวะของมันมีอยู่ตามธรรมดาของสภาวะที่ไม่เกิดจากปัจจัยเป็นนิสัตะนิชีวามีชัตว์บุคคลตัวตนเราเขาไม่เป็นของใครไม่ขึ้นต่อใครไม่มีใครกํากับบังคับควบคุมไม่มีตัวทำการที่จะดนบันดาลอะไรแก่ใครๆ ส่วนสังคตาธรรมคือสังขารทั้งหลายอันได้แก่ขันห้าก็ชัดอยู่แล้วเช่นเดียวกันคือทุกอย่างนั้นดำรงอยู่ตามสภาวะของมันมีอยู่เป็นอยู่เป็นไปตามธรรมดาของมันแต่เป็นธรรมดาของสังคตาธรรมซึ่งตรงข้ามกับธรรมดาของอสังคตาธรรมกล่าวคือมีอยู่ตามธรรมดาของสังคตาธรรม ที่เป็นไปตามเหตุปัจจัยของมันซึ่งก็ไม่เป็นไปตามความปรารถนาของใครไม่มีตัวตนอะไรสิงซ้อนอยู่อาศัยที่จะเป็นตัวทําการในการเสพสเวย่ยสั่งบังคับหรือมีอํานาจบงการบัญชาให้ขันห้านั้นไม่ว่าทั้งหมดหรือแต่ละอย่างให้เป็นไปตามความต้องการของตนโดยเป็นอิสระจากการทําตามหรือทําที่เหตุปัจจัย ความหมายพื้นฐานที่ท่านอธิบายอนัตตาความเป็นอนัตตาความไม่เป็นไม่มีตัวตอนนี้โดยทั่วไปใช้คําสั้นๆเพียงว่าอวสาวตนเถนะหรืออวสาวตนโตหรืออวสาวติโตบ้างก็มีที่ว่าเป็นอนัตตาก็เพราะว่าหรือด้วยความหมายว่าไม่เป็นไปในอํานาจ คือไม่อยู่ใต้อำนาจใครจะเรียกร้องหรือสั่งบังคับให้เป็นไปอย่างนั้นอย่างนี้ตามความปรารถนาของตนไม่ได้สำนวนเก่าว่าไม่อาจได้ตามปรารถนาของตนความหมายพื้นฐานของอนัตตาเป็นดังที่ว่ามานี้